ผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนผู้ดำเนินรายการมรดกไทยมานั่งประจำที่แล้วนะครับเราพบกันที่ FM 89.5 เมกะเฮิรตส์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตนี่คือรายการมรดกไทยนะครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวและก็ความภาคภูมิใจ เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะครับรายการมรดกไทยวันนี้ทั้งสี่ช่วงมีเรื่องราวอะไรบ้างผมจะแจ้งรายการให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเลยนะครับสาหรับช่วงมรดกเพลงไทยวันนี้ผมนำเสนอเพลงกุหลาบในมือเธอเพลงนี้เป็นผลงานการขับร้องของหม่อมราชวงศ์ธนศีสวัสดิวัต ซึ่งท่านก็พึ่งจะถึงแก่กรรมไปเมื่อประมาณปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับจุดประสงค์วันนี้ก็เลยอยากจะนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติแล้วก็ผลงานของท่านสำหรับในช่วงที่2มะระดกภูมิปัญญาไทยนะครับผมจะนาเสนอประวัติแล้วก็ผลงานที่น่าสนใจของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์วันนี้มีผลงานแล้วก็เรื่องราวที่หลากหลายแล้วก็เป็น สิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับประวัติของตัวท่านนำมาให้คุณผู้ฟังได้รัับทราบนะครับช่วงที่3มรดกวิถีไทยคุณผู้ฟังครับสัญลักษณ์เชลชวนชิมที่เราเห็นกันมาเนิ่นนานมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากที่เดียววันนี้นอกจากสัญลักษณ์เชลชนชิมแล้วผมจะพูดถึงร้านอาหารแห่งแรกที่ได้รับสัญลักษณ์เชลชวนชิมนะครับ เมื่อช่วงที่3พูดถึงเรื่องของอาหารการกินนะครับก็จะสอดคล้องไปถึงช่วงที่4มรดกทางภาษาเพราะว่าวันนี้ผมจะนำเสนอสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินคนไทยมีสำนวนสุภาษิตที่สามารถใช้เตือนสติเตือนใจกับผู้คนในทุกสถานการณ์และทั้งหมดนี้ทั้ง4ช่วงนะครับยังมีเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคย รับรองว่าแต่ละเพลงที่จะนำมาเปิดในวันนี้เป็นเพลงที่ถูกคัดเลือกแล้วก็คัดสรรมายังดีเพื่อทำให้คุณฟังได้มีความสุขมากถึงมากที่สุดนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่หนึ่งจากนั้นเราจะมาพบกับทุกช่วงของรายการมรดกไทยนะครับ Sweet FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีรับฟังออนไลน์ได้ทาง w o r l d w i d r a d i o r m u t t a c t h โ 026917738-9 คุณกฟังครับมาถึงช่วงที่1 ม, มรดกเพลงไทยนะครับ คุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ถามมาว่าแรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดในช่วงมรดกเพลงไทยนี้เกิดจากอะไรผมบอกได้เลยว่าหลายๆเพลงที่ผมได้เคยฟังตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ตัวเองอายุยังไม่มากนะักจนถึงปัจจุบันเนี่ยเพลงหลายๆเพลงมีคุณค่าแล้วก็อยากให้คนรุ่นหลังโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นในปัจจุบันได้รับทราบนะครับว่ามีเพลงดีๆเป็นเพลงไทย เป็นเพลงที่ถูกเขียนขึ้นตามยุคสมัยแล้วก็การเวลาเราสามารถศึกษาเรื่องราวทางสังคมเรื่องราวของการใช้ภาษาความนึกคิดของคนแต่ละยุคผ่านบทเพลงนะครับก็เลยเป็นที่มาของมรดกเพลงไทยวันนี้มรดกเพลงไทยที่สำคัญนะครับสำหรับเพลงกุหลาบในมือเธอซึ่งเพลงนี้เป็นผลงานการขับร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรซึ่งท่านก็พึ่งจาก เราชาวไทยไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับสำหรับเพลงกุหลาบในมือเธอมีเกร็ดที่น่าสนใจนิดหนึ่งนำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับเพลงนี้ดั้งเดิมแล้วชื่อเพลงดอกไม้ของหลอนนะครับและท่านที่ร้องเพลงนี้เป็นท่านแรกก็คือมอมหลวงขาบคุญชรและเพลงนี้ดั้งเดิมเป็นเพลงที่ใช้ประกอบภาพยนตร์ไทยเรื่องเลือดทหาร ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2477ต่อมาในปีพศ2509คุณชรินนันทนาครก็นำมาบันทึกเสียงใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อเพลงกุหลาบในมือเธอแล้วก็มีนักร้องหลายๆท่านนะครับต่อมาก็ได้มีการนำมาขับร้องใหม่จนกระทั่งมาถึงฉบับที่หมอมราชวงศ์นัดศีสวัสดิวัตรได้ขับร้องไว้ เพลงนี้ก็ได้รับความนิยมแล้วก็มีความไพเราะในเนื้อหาความเปรียบเทียบที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังครับในเพลงนี้จะมีเนื้อเพลงที่หลายๆท่านคุ้นเคยจากประโยคที่บอกว่าใจพี่หายว่าเมื่อเห็นกุหลาบกลีบกระจายจำกลิ่นได้คล้ายๆว่าดอกที่ถือในมือเธอพี่เพ้อขอมานาน เจ้าให้หลังพี่เพราะเจ้ามีที่ต้องการก็เป็นในเชิงตัดเพราะต่อว่าถึงคนรักนะครับที่คราวนี้ไม่รู้ว่าสูญเสียอะไรหรือว่าอาจจะพลาดท่าพลาดทีไปรักคนอื่นแล้วหลังจากนั้นไม่สมหวังก็กลับมาที่คนรักคนเดิมนะครับเพลงนี้มีความไพเราะมากถึงมากที่สุดนะครับอายุของเพลงนี้ก็เก่าแก่มากทีเดียวนะครับ แต่ว่าก็ยังส่งคุณค่าสำหรับเพลงกุลาบในมือเธอวันนี้ก็จะนำเสนอในน้ำเสียงของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรตอนนี้คุณฝังพร้อมแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะมาฟังเพลงนี้ด้วยกันนี่คือเพลงกุลาบในมือเธอขอเชิญรับฟังครับใจพี่ หายว่าเมื่อเห็นกุหลาบปลีบกระจายจันปลิ้ได้กลับคลยว่าดอกที่เธอในมือเธอพี่เพอขอมานานเจ้าให้หลังพี่เพราะเจ้ามีที่ต้องการ เี่ยวูนี่ดอกถูขยี้ทิ้งกระจายพี่แสนจะเสียดายเพราะายไม้อื่นให้เขาชื่นชมเขาดมเล่นแล้วทิ้งผู้ที่หวังจริงก็เลยต้องยิงหัวใจรา ลาปลี่ระจายจำกลิ่นได้คลับคล้ายว่าดอกที่ชื้นในมือเธอพี่เพิ่ขอมานานเจ้าให้เรา ที่แสนจะเสียได้ต้องไปหมายอื่นให้เขาชื่นชมเขาโดมเล่นแล้วทิผู้อุธีหวังจริงก็เลยตรงยริงหัวใจรักรายการโมรดกไทยจัดทําขึ้นเพื่อการศึกษา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 ทายุราชมงคลทัญบุรีกับช่วงเวลาแห่งความสุขคุณผู้ฟังครับมาถึงในช่วงมระดกภูมิปัญญาไทยช่วงที่แล้วคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกุหลาบในมือเธอซึ่งเป็นผลงานการขับร้องของ หมอมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรนะครับและต่อเนื่องมาถึงช่วงนี้เพราะว่าผมจะนำเสนอเรื่องราวประวัติชีวิตการทำงานแล้วก็ความสามารถของหม่อมราชวงศ์นัดศีสวัสดิวัต์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับหม่อมราชวงศ์นัดศีสวัสดิวัตท่านเกิดเมื่อวันที่28พฤษภาคมพศ2469และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่27สิงหาคมพศ 2,562 นะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นนักแสดงนักร้องนักเขียนแล้วก็นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีในชื่อของเชลชวนชิมสัญลักษณ์ของเชลชวนชิมนะครับก็เป็นสัญลักษณ์เป็นรูปชามลายผักกาศแล้วก็ท่านเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับเชลชวนชิมนี้ ลงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐตั้งแต่ปีพศ2 5งพนะครับคุณผู้ฟังสําหรับประวัติของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรนะครับท่านเป็นโอรสองคโตในหม่อมเจ้าเฉลิมสวัสดิวัตรกับหม่อมเจริญสวัสดิวัฒรนาอายุธยาท่านเกิดที่วังเพชรชบูรณ์นะครับคุณผู้ฟังครับวังเพชรบูรณ์ในปัจจุบันก็คือศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ ท่านมีพี่สาวและก็น้องชายนะครับก็คือเภสัชกรหญิงหม่อมราชวงศ์สนองสีสวัสดิวัตรแล้วก็หม่อมราชวงศ์เพิ่มสีสวัสดิวัตรหม่อมราชวงศ์ถนัดสีสวัสดิวัตรท่านเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนราชินีเมื่อปีพศ2481แล้วไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเทพศิรินพศ2485จนกระทั่งจบชั้นมัธยมนะครับ แล้วก็ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองสมัยก่อนชื่อเต็มของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นชื่อนี้นะครับพร้อมกับเข้าวงการบันเทิงแล้วก็เป็นนักแสดงแล้วก็ร้องเพลงหาไรายได้นี่เป็นเรื่องราวประวัติคร่าวๆของท่านนะครับคุณผู้ฟังครับมาดูผลงานของท่านในด้านสื่อสารมวลชนช่วงหลังสงครามนะครับท่านได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษจากที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่ แล้วท่านได้มีโอกาสเป็นนักจัดรายการวิทยุของ b b c ที่ประเทศอังกฤษซึ่งก็เป็นภาคภาษาไทยนะครับ mm hmm. เมื่อกลับมาที่ประเทศไทยท่านได้เป็นนักร้องอยู่ในวงสุนทรภพร์จากนั้นก็ร่วมงานกับโทรทัศน์ช่องสี่บางขุนพลในสมัยก่อนนะครับแล้วก็มีการขับร้องมีการขับเสพราร้องเพลงไทยนะครับแล้วก็มีการแสดงเข้ามาเกี่ยวข้อง และอื่นๆอีกมากมายทีเดียวนอกจากนี้นะครับท่านยังเป็นผู้จัดและก็ดำเนินรายการวิทยุโทรทัศน์เช่นรายการครอบจักรวาลรายการสรารคดีปกินณกะว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การแนะนำอาหารนะครับรายการนี้ก็พูดถึงเรื่องราวต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรายการนี้โ อ, อกาสทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกการบินไทยไขยจักรวาล ก็ออกอากาศตั้งแต่ปีพศ2521จนถึงพศ2548นะครับรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการตอบปัญหาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาโดยมีบริษัทการบินไทยในยุก่อนนะครับเป็นผู้สนับสนุนนอกจากนี้ก็ยังมีรายการพ่อบ้านเข้าครัวอีกด้วยนะครับหม่อมราชวงศ์ธนศรีสวัสดิวัตรนะครับท่านยังมีความสามารถในการเขียนบทความเป็น c o l u m n i s นะครับ ในชื่ อ, อถนัดศรีชวนชิมท่านเขียนในหนังสือพิมพ์มติชนรายสัปดาห์แล้วก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรวมทั้งผลิตและก็จัดรายการโทรทัศน์ที่ชื่อรายการพ่อลูกเข้าครัวนะครับร่วมกับบุตรชายก็คือม่อมล้วงสิริเฉลิมสวัสดิวัตรหรือคุณผู้ฟังรู้จักในนามของคุณหมึกแดงนั่นเอง หม่อมราชวงศ์ถนัดศีสวัสดิวัฒน์นะครับมีผลงานเพลงที่โด่งดังระดับตำนานเช่นเพลงสีชังเพลงยามรักห่วงรักวานาสวัสดอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงประเภทดนตรีไทยสากลขับร้องในปีพศ .2551 นะครับคุณผู้ฟังท่านเป็นอาจารย์พิเศษคณะจิตกรรมปฏิมากรรม และภาพพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับสําหรับงานนักชิมแล้วก็การทาอาหารคุณผู้ฟังน่าจะคุ้นเคยกับสั ญ, ญลักษณ์เชลชวนชิมซึ่งชื่อนี้สั ญ, ญลักษณ์นี้นะครับก็เป็นที่โด่งดังทั่วประเทศแล้วท่านก็บุกเบิก ร, รายการทำอาหารในประเทศไทยอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเช่นรายการพอบานเข้าครัวอย่างนี้เป็นต้น ม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรนะครับท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำอาหารก็ได้รับนะครับอิทธิพลมาจากหม่อมมานดาก็คือหม่อมเจริญสวัสดิวัตรณาออุทยานะครับนอกจากนี้นะครับท่านก็ยังมีผลงานทางประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์แล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับเท่าที่ดูข้อมูลนะครับท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญรอบรู้ในงานประวัติศาสตร์งานสังคม แล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งท่านก็ถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ผ่านรายการวิทยุที่ชื่อรายการครอบจักรวาล น, นะครับสำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะครับคุณผู้ฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศีสวัสดิวัตรท่านได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานในปีพศ2507จากเพลงสีชังนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปาการแสดง เมื่อปีพศ2551ท่านได้รางวัลนาราทิปนักเขียนอาวุโสเมื่อปีพศส5 5 1แล้วก็ท่านได้รับรางวัลเกียรติยศคนทีวีในงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่2 5ประจาปีพศส5 5 1ดและนี่คือเรื่องราวประวัติและก็ผลงานของท่านที่มีหลากหลายแล้วก็สร้างคุณค่าไว้ให้กับสังคมไทย ท่านได้ทำประโยชน์ไว้มากมายทีเดียวนะครับดังนั้นการจากไปของท่านก็เป็นสิ่งที่เราชาวไทยหลายๆคนที่เป็นแฟนรายการวิทยุแฟนรายการโทรทัศน์ก็อดที่จะอาลัยแล้วก็คิดถึงท่านไม่ได้นะครับ สรารค้ำคมน่าชมว่างามเหมาะสงดีเผลต้น hmm. น้ำเนึ่งนามซึ้งจึงเป็นยอดมนี เป็นยอดคนชื่นชอบตอบผล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 8.5 เมกเฮิร์ตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังครับในช่วงที่แล้วคุณผู้ฟังจะได้ยินสิ่งที่ผมพูดส3าครั้งหรือว่าหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับเชลชวนชิมนะครับ ช่วงนี้มรดกวิถีไทยก็จะพูดถึงตำนานมากกว่า50ปีของเชลชวนชิมมีที่มาที่ไปน่าสนใจทีเดียวนะครับเชลชวนชิมเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2504ผู้ที่ให้กำเนิดแนวคิดนี้ก็คือหม่อมเจ้าพีสเสดิรัชนีซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดกา ร, รแผนกส่งเสริมการขายและการโฆษณาของบริษัทเชลแห่งประเทศไทยนะครับ ในสมัยนั้นบริษัทเชล์เพิ่งเริ่มจำน่ายแก๊สถุงต้มในประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังคุ้นเคยกับการใช้ถ่านใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารนะครับท่านพีสเสดและทีมงานได้หาหรือกันว่าควรจะทําโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายให้กับบริษัทเชลนะครับท้ายที่สุดก็มาสรุปกันว่า น่าจะทำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวของการแนะนำอาหารแบบนี้มิชลินไกด์ที่ประเทศฝรั่งเศสเขาก็ทำกันมานานแล้วก็ได้รับความเชื่อถือจากนั้นนะครับความคิดริ่เริ่มในเรื่องของเชลชวนชิมจึงเริ่มขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศไทยเช่นกันหลังจากที่ได้แนวทางแล้วว่าจะทาเรื่องราวของเชลชนชิม คราวนี้ก็มาถึงโลโก้ที่จะใช้นะครับเห็นบอกว่าจะต้องใช้เวลาคิดคิดมากทีเดียวว่าสัญลักษณ์เหล่านั้นจะตอบโจทย์อย่างไรและเข้ากับวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างไรแต่คราวนี้ก็ต้องมานึกถึงชื่อใช่ไหมครับดังนั้นชื่อที่ใช้ก็คือชวนชิมทีนี้เมื่อเชลเป็นสปอนเซอร์ก็ต้องใส่คำว่าเชลชวนชิมลงไปจากนั้นก็ใช้ชื่อว่าเชลชวนชิมซึ่งก็มีบริษัทเชล เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดรายการนะครับสําหรับนโยบายของเชลชวนชิมนะครับก็คือจะต้องแนะนําอาหารอร่อยที่ได้มาตรฐานบริการดีแล้วก็ข้อสําคัญไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจะถูกจะแพงไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับขอให้ประการสําคัญก็คือเป็นการแนะนําฟรีไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆสําหรับคอลัมน์เชลชวนชิม ก็มีการตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาวิจารณ์เมื่อวันที่4ตุลาคมพศ2504นะครับคุณผู้ฟังโดยท่านหมอมราชวงธนัดศีสวัสดิวัฒน์ใช้นามปากกาว่าถนาาัดสอคุณผู้ฟังครับก็มาถึงโลโก้ของเชลชวนชิมในยุคแรกนะครับก็จะเป็นรูปหอยเชลแล้วก็เปลวแกส๊สพุ่งออกมาอันนี้เป็นโลโก้แรก ต่อมาในเดือนกันยายนพศสองพันห้าก็ได้มีการเปลี่ยนโลโก้เป็นรูปชามลายครามลายผักกาดลายผั ก, กาศก็หมายถึงอาหารการกินส่วนชามลายครามก็เป็นสัญลักษณ์ของความเก่าแก่ดูสูงค่าแล้วก็รวมความเป็นสัญลักษณ์แห่งการกินดีกินเป็นนะครับสําหรับคอลัมน์เชลชวนชิมก็ตีพิมพ์ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์เรียกว่าตีพิมพ์ ต่อเนื่องยาวนานมากกว่า40ปีแล้วก็ได้ย้ายไปตีพิมพ์ในนิตยสารฟ้าเมืองไทยและเมื่อวันที่25กันยายนพศ2 5 1พสสุดท้ายก็ย้ายประจำอยู่ในนิตยสารมาติชนสุด ส, ดสดปลจนถึงตอนสุดท้ายเมื่อปลายเดือนมกราคม 2,562 ที่ผ่านมานะครับตลอด50ปีที่ผ่านมาเชลชนชิมโดยธนาสก็ ได้สร้างให้คนเป็นเศรษฐีมากมายสำหรับนโยบายของเซลลชนชิมก็คือให้แล้วให้เลยไม่มีการกำหนดวันหมดอายุหรือยึดคืนแต่อย่างใดร้านไหนยังรักษาคุณภาพรักษามาตรฐานความอร่อยไว้อยู่ลูกค้าก็จะไปอุดหนุนกันขับขั้งส่วนร้านไหนเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนมือคนทำฝีมือไม่อยู่กับร่องกรอยหรือฝีมือด้อยกว่าเดิม ลูกค้าไม่ไปแล้วไม่ประทับใจก็ไม่เป็นไรเขาก็อยู่ไม่ได้อันนี้เป็นแนวความคิดของอเชลชวนชิมนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ s Spring New s นะครับเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวประวัติแล้วก็โลโก้เชลชวนชิมที่เกี่ยวข้องกับบอมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒนะครับ ที่ชีวิตเจอกับปัญหาทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบ้างไหมฉันถามด้วยความรักถามด้วยความห่วงใยไม่ได้ดูถูกเธอหวังแล้วก็ผิดหวังมาตั้งกี่ครั้ง เธอก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่จากไปฉันรู้มันยากนักที่รักฉันนั้นขอบใจเธอเลือเกิน้ยหน่อยนะอยู่กับฉันเมื่อสิ่งที่ฝัน วันนี้ฉันรู้ต้องเหนื่อยนักกว่าที่เคยแต่เธอก็ยังยิ้มได้ไม่คิดจะยอมแพ้เราก็ไม่แพ้แค่เพียงทางไม่มีดอกไม้ให้ก้าวเดินคุณเขาหรือขากน้ำาดยรัก i t h e น, นั่นมันไม่ง่ายเลยและวันนี้ฉันรู้ตอนเหนื่อั ก, กว่าที่เคยแต่ท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 s วีทเ FM เอ็มดิาวิทยุราชมงคลทัญบุรีรับฟังออนไลน์ได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทรศู6ย์ส7งหึง คุณผู้ฟังครับจากเรื่องราวของเชลชวนชิมเมื่อช่วงที่แล้วนะครับตอนนี้ก่อนจะถึงช่วงมรดกทางภาษาผมก็จะแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักว่าร้านแห่งแรกที่ได้สัญลักษณ์เชลชวนชิมนั้นอยู่ที่ไหนชื่อร้านอะไรนะครับร้านที่ว่านี้ได้รับสัญลักษณ์เชลชวนชิมร้านแรกก็คือร้านเกาเหลามันสมองหมูแพร่งภูทร ซึ่งก็ได้เปิดมาตั้งแต่ปีพศ .2,500 รวมเวลาแล้วก็มากกว่า60ปีนะครับเป็นร้านแรกที่ได้เชลชนชิมเมื่อเดือนตุลาคมพศสองพถือว่าเป็นร้านในตำนานอีกร้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นสูตรเด็ดก็จะมีต้มสมองหมูเป็นสูตรของจิ่นแครแล้วก็มีเครื่องเคียงหลายอย่างนะครับ ที่ร้านก็จะเป็นคนทําวัตถุดิบเองทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเอาวัตถุดิบเนี่ยมาผลิตแล้วก็ปรุงเองไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นกรอบลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูหัวไชเท้าเต้าหู้ยัดไส้ลูกชิ้นแคร์แล้วก็กุนเชียงหมูกุนเชียงตับลูกชิ้นกรอบแล้วก็มีหนังปลาอินทรีย์ทอดนะครับซึ่งในอดีตร้านนี้จะเรียกว่าร้านลูกชิ้นห้าหม้อ เพราะว่าที่ร้านแยกลูกชิ้นแล้วก็เครื่องเคียงทั้งหลายลงในหม้อทาง5ใบนะครับครับแล้วก็มาต่อเนื่องในเรื่องของมรดกทางภาษานะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องร้านอาหารเรื่องของกินดังนั้นผมก็จะพูดถึงสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับการกินนะครับมาถึงในช่วงมรดกทางภาษานะครับต่อเนื่องมาเรื่องราวของกินแล้วก็ร้านอาหาร วันนี้ช่วงมรดกทางภาษาจะพูดถึงสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับอาหารแล้วก็การกินนะครับสำนวนแรกเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้าแกงสำนวนนี้ก็มีความหมายว่าไม่ชอบเขาแต่ก็อยากได้ผลประโยชน์จากเขายกตัวอย่างเช่นเราไม่ชอบปลาไหลแต่เราก็สามารถกินน้ำแกง ที่เอาปลาไหลไปปรุงได้เราไม่ชอบสัตว์ประเภทนี้แต่เราก็กินไข่ของสัตว์ประเภทนี้อะไรทํานองนี้ครับคุณผู้ฟังสุกเอาเผากินจำนวนนี้มีความหมายว่าทํางานแบบชุย่ยชุย่ยทำแบบทรงๆไปนะครับไม่มีความปราณีตเหมือนกับแค่ทําอาหารสุกก็ใช้ได้แล้วคือไม่ได้คํานึงถึงความประณีตอะไรทั้งสิน้นอันนี้สุกเอาเผากินนะครับ ต่อมามาถึงตามใจปากลำบากท้องสํานวนนี้หมายความว่าคนทําอะไรตามใจมักเดือดร้อนเช่นถ้าเรากินอะไรตามใจปากกินไม่เลือกนะครับอาหารบางประเภทก็ทําให้ท้องเสียได้ปวดท้องได้เรียกว่าตามใจปากลำบากท้องตามใจปากลำบากพุงกินมากก็อ้วนด้วยนะครับต่อไปสํานวนตําข้าวสารกรอกหม้อ สํานวนนี้นะครับก็มีความหมายว่าทําให้เสร็จไปเสร็จไปครั้งหนึ่งคราวหนึ่งะนะครับก็จะคล้ายๆกับสุกเอาเผากินนั่นแหละนะครับยกตัวอย่างเช่นพรุ่งนี้จะต้องส่งงานแล้วปรากฏว่าหลังเที่ยงคืนเพิ่งจะเริ่มทําก็คุณภาพของงานก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อไปมาถึงสํานวนกินที่รับไขที่แจ้งนะครับ สำนวนนี้ก็หมายถึงการได้ประโยชน์กันในที่ลับไม่มีใครรู้แต่ต่อมาขัดใจกันก็นําเรื่องที่เคยทำนั้นมาเผยแพร่เอามาเปิดโปงทำให้เกิดความเสียหายเรื่องนี้เราก็มักจะใช้ในเรื่องเชิงชู้สาวมากทีเดียวนะครับต่อไปกินน้ำเห็นปล่งนะครับสำนวนสุภา ษ, ษิตนี้ก็หมายถึงการทำสิ่งใดทำอยู่แล้วเนี่ย แต่ไปเจออะไรที่ไม่น่าไว้วางใจจึงไม่ทําสิ่งนั้นต่อให้จบสําหรับเขาบอกว่าที่มาของสมนนนี้ก็เปรียบเลยถึงคนที่จะกินน้ําในแก้วที่พอตักมาจากบ่อแถวปะเอิเหลือไปเห็นน้ําในบ่อ น, นั้นมีปลิงอยู่ก็เกิดอาการรังเกียจไม่อยากจะกินน้ําในแก้วนั้นซะแล้วสมนวนได้แกงเทน้ําพริกนะครับสมนวนนี้มีความหมายว่าได้ใหม่แล้วก็ลืมเก่ามักใช้กับ ผู้ชายที่ได้ภรรยาใหม่ก็จะไม่สนใจภรรยาคนเก่าไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรเรามีสำนวนสุภาษิตไทยที่รองรับเรื่องราวต่างๆในสังคมแล้วก็สามารถเป็นคติเตือนใจเรียกว่าพูดมานั้นไม่ต้องอธิบายแต่ก็เข้าใจแล้วก็ใช้ในการเตือนสติใช้ในการสอนใจได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจสำนวนสุภาษิต ก็ใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกกาลเทศะและก็ใช้ให้ถูกสถานการณ์ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ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 คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 เม z ตอนนี้เหลือมองดูเวลาแล้วรายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการมรดกไทยได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้ผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนปรารถนาให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ FM 89.5 สิบมกะสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี